ลูกรักทัง้งหลายสำหรับเทพนั่นนี้ก็ยังอยู่ที่จังหวัดเจลาเป็นการบันทึกวันที่25เมษายน2521เหมือนกันเมื่อมาคุยกับพี่ขุนต่อไปพี่ขุนอยากจะทราบว่าไอ้เรื่องของจังหวัดนครปฐมเนรบพั น, าานะัะไปสักที ดูว่ามันจะเลอะหรือพี่ว่ายังไงเสียงตอบมาจากพี่ขุนหรือว่าจะขุนหัวเถกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนดิพูดเรื่องเลอะเถอะให้มันได้ประโยชน์กับลกูกลูกทุกคนมันอยากจะไปนิพพานแต่ถ้าว่าต้องเตือนมันเถอะก่อนฟังไปแล้วก็ต้องคิดด้วย ต้องคิดว่าบ้านเมืองสมัยนั้นที่ก็ปลูกเขาสร้างกันไว้มันพังไปหมดเจดีสมัยเก่าเขาสร้างไว้แข็งแรงมันก็พังไปหมดต้องทำครอบกันใหม่คนสมัยนั้นจะเป็นใครก็ตามที่มีอานาจวาสนาบารมีมากแม้แต่พระอรหันต์ทั้งหลายคนดีพระพุทธเจ้าคนดีก็ส่งนิพพานไปหมด ให้โลกให้หลานนั้งหลายจงจดจำคิดว่าโลกนี้เป็นอนิจจงทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีการทรงตัวโลกนี้ถ้าเราจิตเข้าไปยึดถือมันก็เป็นทุกข์อย่างที่พระโสนกุติกันณนะท่านเข้ามาสอนคณะบุคคลไทยกลุ่มหนึ่ง ท่านอยู่เขตเมืองปราณบุรีคนพวกนี้ถือตัวถือตนมากไม่รู้จักความตายพระโสดกุติกันนะท่านก็นหยิบรูปของคนตายขึ้นมาท่านเป็นพระอาหารหันต์ปฏิสัมพิธา <c oughs> คุยจะคุยกันไปคุยกันมาท่านก็นบอกว่าอย่ายึดถือทรัพย์ส ม, มบัติเกินไปว่าเรากำมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ ได้คนพวกนั้นเขาก็ชี้ว่าเสียงนี้ของพ่อเสียงนี้เป็นของปู่เสียงนี้ของคนนั้นเสียงนี้เป็นของคนนี้ท่านก็บันดาลให้เกิดคนคนหนึ่งเดินเข้ามาคนคนที่เข้ามานั้นรูปร่างเหมือนปู่ของบุคคลคนนั้นบันดาลให้มานะ่ะคนจะไม่ได้ไม่ได้นิรมิตรอาจจะเรียกมาก็ได้คนคนนั้นก็นมาชี้แจงว่าคนนั้นเป็นลูกคนนั้นคนนี้เป็นหลานคนนี้เสร็จ ปรากฏว่าเป็นตระกูลผู้ใหญ่เยี่ยนเน่บอกกับลูกหลานบอกว่าเราตายไปแล้วหรือว่าฉันตายไปแล้วสิ่งน่าร้ายเหล่านี้ไม่มีประโยชน์สําหรับฉันเวลานี้ฉันเป็นพรหมเมื่อพูดแล้วก็แสดงตนให้เป็นพรหมให้ปรากฏเพราะอาศัยความดีที่ฉันปฏิบัติมา ในด้านความมใช่อารมณ์จิตหักหักข้ามกิเลสทั้งหลายด้วยกําลังของฌานไม่วิปัสสนาญาณเป็นสมควรทรัพย์สมบัติทั้งหลายเหล่านี้ตายไปแล้วฉันไม่มีประโยชน์แต่ว่าฉันได้ทําประโยชน์ส่วนหนึ่งของทรัพย์ทั้งหลายเหล่านี้ให้เป็นทานกองการกุศลเมื่อฉันตายเป็นคนจึงเป็นพรหมไม่วิมารสวนอย่างนี้พอแก่ผู้จบวิมารก็ปรากฏ นั่นท่านเยคนท่านพูดเนี่ยเวลาท่านเยพูดแล้วก็บางทีต้องหันหน้าหันหลัง <c oughs> ดูนั่นดูนี่พอดูนั่นหันหน้าหันหลังก็ปรากฏสิ่งที่ท่านพูดปรากฏเป็นภาพขึ้นมาทันทีเห็นชัดถ้าไม่คนทั้งหลายเหล่านั้นมีความเลื่อมใสในศาสนาพระองค์สมเด็จพระสังสารวัต์จิตใจก็เลยอยากเป็นพรหมอย่างโปรนี่เป็นจุดหนึ่ง ท่านปู่แนะนาวิธีปฏิบัติแบบย่อยๆก็คือการเจริญสมาธิจับทุกเสียงทุกอย่างให้มันอยู่กับจิตและจิตเป็นกุสมอยู่เสมอแล้วก็แนะนำว่าองค์นี้เป็นศาสตร์จะเป็นอาสาวกองขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> ยองอเชื่อฟังองค์นี้องค์นี้พูดว่ายังไงเชื่อตามนั้นปฏิบัติได้ตามนั้นแล้วจะได้เหมือนปู่ทุกอย่าง เป็นอันว่าคนพวกนั้นอันดับแรกจิตก็จับพมยากเป็นพรมนิยมการเจริญสมาธินิยมการให้ทานนิยมการ ส, งส่งศีลศึกษาวิปัสสนาญาณทำมาทำไปทำไปทาม า, า, า, า, มาพอจะตายเลยปู่กลายเป็นพระอรหันต์ไปนี่เป็นอนุว่าชีวิตตัวคนและชีวิตทัพย์สินทั้งหลายความที่ความเป็นอยู่คำเรียกว่าชีวิตในแปลวความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่ของวัตถุ ก, ก็ดีความเป็นอยู่ของร่างกายก็ดีมันไม่ส่งตัวจะต้องตายแบบนี้ถ้าทุกคนไปอราหารันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะเมื่อเข้าไปสู่พนิพพานแล้วมีความสุขจะมีการทรงตัวขึ้นเชื่อว่าความทุกข์นิดหนึ่งจะไม่มี <c oughs> เป็นนั้นว่าท่านเจอคุณพานุมาก รายกายความดีในการเจริญสมณธรรมเออท่านเจ้าคุณเนีย่ยจะถามสักนิดนะว่าเจ้าเด็กๆคนเนี่ยมันนอกคอกนอกโขมังไหมกําลังใจของมันเดินตรงจริงๆทุกคนหรือเปล่าเจ้าคุณยิ้มตอบว่ายังไงทราบไหมเพราะว่าท่านก็ตอบว่ามันเป็นโรคพ่อนี่ มันก็ดีบ้างดื้อบ้างสะเลเถยไหลไปบ้างเชิญแชร์ไปบ้างแต่ไม่เป็นไรนั่นมันเป็นกรรมที่อกหสนให้ทุกคนทำกำลังใจแข็งไว้ว่าเราจะไม่ยอมแพ้กับความชั่วจะไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาเป็นเจ้านายหัวใจของเราจะทรงกำใจว่ากาลังใจไว้แต่เพียงความดี เมื่อจิตใจมันเข้มแข็งอย่างนี้ข้อความชั่วมันเป็นเจ้านายไม่ได้เกิดความกระสันขั้นใจในปรารถนาในด้านความชั่วก็คิดไว้ว่าความชั่วนี่มันไม่ได้ช่วยให้เราไม่ตายความปรารถนาในเรื่องร้ายคือปันเกี่ยวกับกิเลสแระเภท น, นี้มันไม่ได้ช่วยให้เราเป็นสุขมองดูตัวอย่างของคนอื่น ว่าที่เขาชั่วมีใจเกลือดกลัวปริกรามารมม์อาสมสมสู่อยู่ในกันติดพันกันมากเนวระท่านถอนไม่ขึ้นไม่นึกถึงความดีคนประเภทนี้ไม่ช้าความปรารถนานั่งเขาค่อยๆจางไปทีละน้อยยเมื่อยามรักน้ำขมต้มผักก็ชมมาหวานแม่เก่งนะพวะคุณนะก็ร้อนเก่งนะบอกให้ช่างแกยิ้ม พอ เ, เรื่องกลอนนี่สมัยนั้นเนี่ยเขาใช้กันเป็นปกตินะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อเรื่องธรรมดาธรรมดาบางทีก็คุยเป็นกลอนซ้ผัปกันตลอดวันตลอดคืนยังได้เพราะเขาในยมก็นอย่างนั้นไอ้ ก, กลอนนี่ไม่ต้องไปเอาละไม่เลียนแบบนั้นวางแผนแบบนี้โอ้ยเวลานี้มันสอนกันมันยุ่งแล้วเกินนี่เป็นศาสตร์ขอท่านนะมันมีมัดมีฐานวางแบบวางแผนน่นแต่วางอย่างงี้นนี่อย่างวางแบบนี้ ไอ้ตอนนี้มีอคละอย่างนั้นตัวนั้นมีอลาะอย่างนี้เรื่องความให้คนสอนจริงๆเขามันมีการเข้าตัวทำไมก่อนเนี่ยเขาไม่ตองแล้วเขาว่ากันเรื่อยพอแหมปวดมาไอ้เด็กมารับการสัมผัสด้วยมาที่ะเล็กแต่น้อยพร้นสุดจุด ท, ที่สุดจว่าอะไรก็ตามเป็นบทเป็นกรนเป็นเรื่องเป็นราวฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆไม่ต้องวางแบบวางแผนมีหลักสูตรยังไงไม่ต้องว่ากัน เป็นอะไรเพียงมารู้ว่าการสัมผัสนอกสัมผัสในมันเป็นยังไงเกือบจะไม่ต้องสอนกันเพราะมาติดขึนมาเองเป็นอนวุวา่านคุณไเจ้าคุณเราเดินทางกันต่อไปดีไหมยอยากนายคอนปถมถึงราชบรุรีมีอะไรดีบ้างเจ้าคุณมองหน้าเ้าบอกว่าเขตราชบรุรีนี่มันก็ไม่มีอะไร ถ้าพูดเรื่องพระราหันก็เป็นของธรรมดาเรื่องใหญ่สําคัญยังไม่มีอ้าวตอนนี้ไปเราเดินไปเมืองเพชรบุรีดีกว่าไอประวัติที่ชาบ้านเขารู้กันมาก่อนก็ไม่ควรจะพูดไม่ต้องพูดอะพูดเรื่องของผีอประวัติผีเรียกคนยิ้มเพชรบุรีมี <c oughs> ท่านบอกว่าจังหวัดเพชรบุรีนี่ คนชาวไทยที่ไปอยู่ในเขตแดงของจีนหรือในเขตเมืองป่าใ้เมืองป่าในเมืองจีนเนยความจริงมันเป็นเมืองไทยไทยจับกินมาก่อนคนเผ่าหนึ่งเข้ามาทีหลังแต่ถ้าว่าเป็นเผ่าที่มีใจแคบชอบอาศัยคนอื่นแล้วก็เบียดคนอื่นเมื่อมีกําลังวันชาขึ้นมาแล้วก็มักจะถือว่าฉันเป็นเจ้าของบ้าน รักจะพาะโผจะพ่อพองมีใจแคบกว่าคนไทยแย่งกันไปเบียดกันมาผลในสุดคนไทยก็ลำคาญเดินทางทํำกินขยับรื่อยลงมารุ่ยลงมาจนกระทั่งถึงพม่ารื่อยลงมาใต้มาถึงมริดและวัฒนายพนีเห็นว่าดินแดนแถบนั้นมันหากินขับแคบเกินไปข ย, ขยับขยายลงมาลงมาทํางเพชรบร คนนี้เรียกกลับถิ่นฐานเดิมจะไม่ใช่คนที่ไปคนที่ไปมันตายไปหลายชั่วคนแล้วคนนี้มันเดินทางมาใหม่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายก็ เ, เล่านิยายที่คนเก่าที่อยู่ดินแดนแถวนี้แล้วก็เดินไปแถวนนท์ไอเจ้าพวกนั้นนำคันแถวโนทนขึ้นมาแล้วก็เดินมาแถวนี้แถวนี้มันลงมาในด้านเพชรบุรี ถ้าจะนับว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าก่อนก่อนพระพุทธเจา้าทรงบายขึ้นประมาณสามพันปีเศษนีอันนี้ต่อจากนี้ไปพ่อถามถามว่าสำหรับคนไทยเดิมที่ไม่ได้เรียกว่าไทยเคยตั้งถิ่นฐานแถวนี้อยู่ประมาณสักกี่ล้านปี ท่านคุณท่า น, าน่านจะคุณท่านก็บอกว่าไอ้ทินฐานแถวนี้จริงๆนะนะเวลากับปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหม่ส่วนใหญ่มันพื้นที่ส่วนใหญ่มันเป็นทะเลเป็นทะเลแล้วก็มีเกาะมีแก่งมากพันดินมังก็ดเข้ามาทีละหน่อยลหน่อยอย่างจังหวัดนล้วเขามาถมนี่คนดี จังหวัดราชอางหวัดสระ บ, บุรีพอดีตอนนั้นเป็นเป็น เ, นเมืองติดทะเลที่จะว่ากันจริงๆคนได้อยู่ในแถวนี้จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอยู่กันมาตั้งแต่ต้นกลับจะนับเวลากันจริงๆมันไม่รู้กี่ล้านปีมันไม่ใช่พันปีหมื่นปีแสนปีมันเป็นร้อยล้านปี จะมานับประดานนี้ยันนับไม่ได้ก็บอกกันเลยกันบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นกลับมาไอคนที่พูดภาษาอย่างนี้มันก็อยู่ดินแดนแถบนี้อยู่แล้วแต่ที่ฝรั่งก็ค้นพบว่าที่นั่นก่อนที่นี่ที่นี่ก่อนที่นั่นไม่จริงอ่ะไอที่นี่มันยังจะก่อนกว่าที่ฝรั่งเข้าใจไปตั้งเยอะคนก็แน่ดีคนกันดีปีหนึ่งเป็นดินมันสูงมาเท่าไหร่ มันทับถมสี่งท่งางยที่ตายไปแล้วที่พังไปแล้วมันลึกเท่าไหร่อย่างน้ำมันนี่น้ำมันนี่กว่าจะเจาะลงไปถึงมันกี่พันกี่หมื่นฟุตหรือว่ากี่พันกี่หมื่นเมร็รเจาะลงไปแล้วได้น้ำมันขึ้นมาไอ้น้ำมันนี่มันก็มีไฮโดรซอลการที่จะเกิดเป็นน้ำมัน เ อ, อิ่หนึ่งฟางเน่าหญ้าเน่าสัตว์เน่าหอยเน่าคนเน่าสะสมให้ความเน่ามันเกิดเป็นแก๊สแก๊แสแท้ที่ไหลไปจะน้าเลือดจาเหลืองน้ำหนองนั้นสะสมกับน้ําธรรมชาติเพราะตัวขึ้นมาอาศัยแก๊สะสมขึ้นมามันก็จุดไฟติดเกิดเป็นน้ำมันนี่อย่างหนึ่งน่าใสแ่แร่ธาติมันเป็นผิน หินที่มีความชื้นแต่เพื่อหินที่เขาเรียกว่าเรียกว่ห็นน้ํามันเพื่อไอหินมันก็ไม่ใช่หินจริงๆก็มันเป็นสิ่งเป็นเนื้อเป็นหนังประสมกับกระถ่านดินแล้วมีส่วนความเน่าของบางจุดเข้าประสมกันมีความชื้นที่เป็นน้ามันอย่างหนึ่งน้ํามันที่ว่าจะเจาะลงไปพบนี่มันเป็นน้ํามันผิวต้น ถ้าจะเจาะลงไปเจาะลงไปเดือดเด้งดยความชื้นขึ้นมาแล้วมีปัญญาเจาะลงไปอีกมันก็จะไปเจอน้ํามันอีกชั้นของน้ํามันมันมีทั้งหลายชั้นแสดงว่าถ้าจะสูกน้ํามันขึ้นมาจริงๆโอ้โมันเยอจะแยะนี่ความจริงดินแดนแถนนี้ที่เรียกกันว่าแหลมทองและเป็นเมืองทองก็เพราะมีทรัพยากรมาก นอกจากน้ำมันมันก็มีแร่มีหินมีเพชรนินจินดามีเงินมีทองแร่ธาตุต่างๆที่มีค่าคนที่มีปัญญายังจะใช้ต่อไปได้อีกนานแต่ว่าแต่คนมีกำลังใจเป็นผ่านคือความโห้ชอบเห็นคนอื่นดีกว่าพวกของตนและว่าขนของเอาไ ป, ไปเป็นส่วนตนมาก เมืองเขาตนรวยไม่ชอบไปให้เมืองชาว บ, บ้านเขารวยคนทรัพย์คนสินไปให้ชาว บ, บ้านเขารวยถ้ายังมีน้ำใจอยู่อย่างนี้แล้วก็ของดีมีค่ามีราคาดีมันยังปรากฏน้อยถ้าคนทุกคนในเขตนี้ที่เรียกกันว่าคนไทยมีใจรักชาติมีความเื่อสัตย์สุจริตหวังความเจริญของบ้านเมือง ต้องการให้บ้านเมืองเจริญจริงๆทรัพยากรมันจะได้มากมากกว่านี้อไอ้ที่เรียมากเขาว่ายังไม่ขึ้นมายังไม่ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เทวดากันไม่ใช่แบบผีกันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นไอ้มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่นี่แหละมันกันเต่ว่ายัางจะมีทุนมีก็ประมาณเท่านี้ค่าไปทําเท่านี้มันก็การเสียมันไปทําเท่านั้นไม่พอดีพลดีกับเงินที่จา่จายไป และผลประโยชน์ที่มันได้มันจะได้สมบูรณ์แบบยังไงที่ท่านได้ฟังมากับคนก่อนเขาบอกว่าถ้าคนไทยดีขึ้นมาไรดีขึ้นมาไรทรัพยากรทั้งหลายมันก็ปรากฏมากเท่านั้นถ้ามีดีเต็มที่มันก็เกิดขึ้นมาเต็มที่ดีน้อยมันก็เกิดน้อยดีมากมันก็เกิดมาก ที่คำว่าดีในที่นี้ทรัพย์มันจะขึ้นมามากไม่ใช่มันลอยขึ้นมาเองเราะว่าใช้ปัญญาเขาตนเองและปัญญาที่ศึกษามาจากในต่างประเทศใช้ปัญญานั้นให้มันครบถ้วนไม่ใช่ว่าไปเรียนกันมาแล้วก็อยากจะได้เงินเดือนอยากจะได้เงินพิเศษอย่างนี้เดี๋ยวคนนั้นมันยังไม่ดี อยากจะได้แต่เงินเดือนอยากจะได้แต่เงินพิเศษเงินกินบ้างเงินโกงบ้างเงินยักบ้างเงินเงินยอกบ้างเงินแปะเจี๊ยบบ้างเงินหมาเจี๊ยบบ้างเงินเกาเจี๊ยบ้างเป็นต้นอย่างนี้ของดีไม่เกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะมันไม่ไปขุดของดีไม่ไปหาไปค้นคว้าหาของดีถ้าถ้ากำลังใจคนมันดีจริงๆซื่อสัตว์สุจริตต่อประเทศชาติ อย่างกับพระบาทสมเด็จพระเจ้ย่หัวนั่นมีเท่าไรใช้เท่านั้นมีเท่านี้ใช้เลยไปถน น, นคนคว้าหาของดีกันมาให้ได้ตอนนี้แหละของทั้งหลายเหล่านั้นมันก็จะขึ้นมาเองใช้กันมาให้มันครอบมันท้วนและโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถ้ามีปัญญามากเป็นก็ใช้น้อยได้ผลจะได้ผลจากของดีขึ้นมามาก คนที่มีปัญญามากเนี่ยเขาใช้เงินน้อยคือใช้ปัญญาช่วยโดยใช้แรงงานของคนช่วยโดยใชอย้อย่างอื่นแทนเงินอย่างคนโบราณเนที่เขาใช้เอาทองเอาย้องขึ้นมาคนโบราณเขาก็รู้จักใช้น้ำมันเหมือนกันน้ำมันตั้งแต่สุโ ข, ขไทยไโยนกเนรคอน แล้ว ก, ก็รู้ว่ากรุงศรีติญานี้เขายังไม่ได้ใช้น้ำมันต่างประเทศเขาใช้น้ำมันในประเทศเอาขึ้นมาใช้ทองก็เหมือนกันเขาก็ใช้ทองในประเทศเขาไม่ได้ซื้อทองนอกประเทศทองในประเทศนี่เขายัางขายไปนอกประเทศเงินก็เหมือนกันเงินเขาใช้เงินในประเทศไม่ได้ซื้อเงินนอกประเทศไปื่อเอาของไปแลกมา และเขาก็ย่างเงินนี่ไปขายกับชาวต่างประเทศแลกกระสิ่งของที่ที่เราไม่มีขึ้นมาเพราะนหลายเหล่านี้มันมีมันแล้วแต่อดีตแตการเขาใช้มันแล้วแต่อดีตแตการแต่นคนสมัยนี้ไม่ได้ใช้ปัญญาอย่างคนสมัยนั้นอะไรอะไรก็ต้องเป็นชาวต่างประเทศมาค้นคว้าหาเองทั้งหมด ยิ่งปรากฏว่ามันขึ้นมาไม่ได้ล้วขึ้นมาได้เขาก็ต้องหากาไรยกเอาไปบ้านเขาเสียมากกว่าที่เราจะควรจะได้เอาเรที่เจ้าคุณเจ้าคุณไปด่าใครเขาเล่ะตาฟ้าเปเสียงเจ้าคุณทัตอบว่าผมไม่ได้ด่าผมพูดตามความเป็นจริงสมัยเมื่อผมเป็นคนช่างก็ดี แก้วแก้วมันเป็นขนแผงก็ดีจะรือว่าขนช่างกับขนแผ่นเนี่ยไม่มีในธรรมเนียมของข้าราชการชาวบ้านเขาเรียกกันสมัยนั้นเขาก็มีน้ามันเหมือนกันไม่ใช่มีน้ํามันไอการจุดตะเกียงนี่เขใช้น้ํามันการทําใตเขาใช้น้ำมันทําใต้เขาใช้น้ํนามันยางเป็นพื้นฐานไอจุดตะเกียงนี่เขาใช้น้ำมันยางมันก็แย่ดิ มันไม่ไหวใช้น้ำมันยาน้ำมันยามันซึมขึ้นมาไม่ทันถ้าจะแก้ไขพอไปใช้น้ำมันหมูเอาหมูที่ไหนมาค่าแจกกันไว้แหละใช้น้ำมันมะพร้าวลงเคี่ยนน้ำตาลมะพร้าวมัไม่มีก่อนจะเคี่ยนน้ำตาลมะพร้าวมันก็ต้องใช้ไฟเป็นอันว่าน้ำมันเขาหากันได้ในสมัยนั้นจะบอกวิธีหาก็ได้น้ำมันเนี่ยเขาหากันต้วเชิงเขา วิธีการหาน้ํามันมันก็เป็นขอไม่ยากถ้าก็ไปดูแหล่งเฉพาะจุดวัตถุที่จุดไฟได้ก็ดีถ้ามีต้นไม้ที่มีการไวายไฟก็ดีคนเขามีปัญญาเมื่อเจอเหตุสภาวะการอย่างนี้เขาก็หาแหล่งน้ํามันกันแหล่งน้ํามันที่มันยัพึงได้มาก็เป็นน้ํามันคน้น บางจุดก็เป็นน้ามันสีดําบางจุดก็เป็นน้ามันสีแดงแล้วเขาก็ใช้วิธีเกลืตามวิทยาการการจะแหล่งหาหาแหล่งน้ํามันก็ดีหาแหล่งทองก็ดีเวลานั้นใช้เขาใช้ผีช่วยบางใช้คนใจตาทิพย์ช่วยบงังที่บอกจุดที่บอกทางการเจาะการสกัดมันก็เป็นของไม่อยากนะัก ถ้าการใช้น้ำมันสมัยนั้นมันไม่มากคนสมัยนีไยน้ไม่มีรถยนต์ไม่มีรถยนต์ก็พอจะขนใช้กันบ้างจากถ้ามันบ้างจากใต้บ้างอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นผลได้เกิดความสว่างแต่ก็อย่าลืมนะปีหนึ่งมันไม่ใช่ถังสองถังไอ้ถังสองรอลิตรน่ะมันใช้ปีหนึ่งก็เป็นเป็นหมื่นหมื่นถังเหมือนกันอันนีการที่ใช้แรงงานคนโดยเฉพาะใช้ปัญญามากกว่าทรัพย์ ก็สามารถหาน้ำมันได้ขนาดนั้นเวลานี้เราใช้ทั้งปัญญาด้วยใช้ทั้งแรงเครื่องจักรด้วยถ้าหาแบบนั้นมันจะได้มากกว่านี้มากสำหรับเรื่องน้ำมันนี่ผมไม่พูดนะถ้ามันอย่างนั้นเพราะว่ายาเทพีแกเคยบอกท่านแล้วที่หัวหินถ้าพูดกันมันก็จะซ้ากันไป เป็นอนวาสำหรับเมืองเพชรบุรีนี่ก็มีประวัติสำคัญอยู่มากตามที่ท่านได้ทราบมาแล้วจากยายเทพีเรื่องนี้ผมไม่โพดต่อไปก็ไปที่ไหนดีและไปเมืองปราณบุรีไปเมืองพงไปเมืองกุยกันดีไหมแกก็บอกว่าดี นี่ล้วมีอะไรทางสายนี้บ้างบอกว่าโหปราณบุรีมันก็เรื่องใหญ่ที่ท่านเอ้เพราะปราณบุรีนี่ปราณบุรีนี่เขาแบปราบความจริงเท่านี้ปราบบุรีปราบบุรีเพราะมันเป็นเมืองที่ต้องปราบกันการปราบของเมืองปราณบุรีนี่จะเล่าประวัติปรํามราดก็ไม่มีประโยชน์เห็นเป็นอนุวาสในสมัยหนึ่ง ที่พ่อคุณรามคำแหงยกทัพเข้ามาเพื่อจะยึเดเขตประเทศนี้เป็นเมืองครองครองกันให้เป็นเมืองเป็นเมืองกลุ่มเดียวกันพระอสัยคนไทยอยู่เป็นย่อมแล้วก็มีคนอื่นอยู่มากที่ปราณบุรีนี่รู้เสึกว่าคนไทยน้อยไปคนอื่นเขามีมากเมื่อทราบว่าพ่อคุณรามคำแหงยกทัพมาเขาก็สู้หนัก เมื่อเสู้หนักก็ต้องปราบหนักคนไทยที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยกันได้รับนโยบายจากพระเจ้าางกำแหงว่าให้เป็นคนที่ทำเหมือนคนไม่รู้จักกันเป็นศัตรูกับกันเวลาเจอะหน้ากันก็ฆ่าก็ฟันก็สู้รบ ก, กันแต่ฟันกันเบาๆหน่อยเรียบว่าไม่ฟันแรง ฟันผิดฟันถูกดีไม่ดีก็สันดาบฟันกันติกตากติกตากทํทำเป็นล้มไปบ้างทำเป็นตายไปบ้างแล้วก็บุกต่อไปคงทัพเลยไปมนนี้ก็วิ่งไปใหม่นี่เป็นวิธีรวงกันใช้วิธีแบบนี้ในที่สุดเจ้าผู้ที่อยู่เก่ากับีเจ้าผู้ที่อยู่ใหม่ะสมเสกันแต่งตัวคล้ายครึงกันเป็นคนเก่าทั้งหมดเข้าปราบปรามคนถิ่นเดิมที่ถือว่าเป็นใหญ่ อตรงนี้นะี่ยท่านเลยมันตายกันมากไอปราณบุรีนี่เขาเรียกปราบบุรีการปราบปรามในตอนนั้นตายกันมากต้องใช้กําลังมากกว่าที่อื่นอีจุดเยืนี่จุดหนึ่งนั่นคือจังหวัดกรบี่จังหวัดกรบีนี่ก็ตายกันมากถ้าไฟพระเจ้ารามคำแหงรู้สึกว่าจะตายน้อยไปหน่อย เพราะอะไรเพราะว่าคนหนังเหนียวมีมากยุทธเวทีเขาไม่เจารามกำแพงก็เก่งมากเช่นลาดในการล่อข้าศึกในการการลวงข้าศึกผมจะไม่พูดละผมไม่ใช่นักรบนี่ถ้าอย่างนี้ต้องให้เจ้าแก้วมันมาเล่าให้ฟังมันจะไถูกราะว่าเจ้าแก้วนี่มันเป็นนักรบให้มันเล่าให้ฟังก็แล้วกันนี่ถ้าอย่างนั้นก็อย่าอย่าถามว่าวิญญาณเจ้าแก้วมันอยู่ที่ไหนอ่ะ เวลานี่เขาสร้างเจ้าแก้วไว้รูกเจ้าแก้วไว้ที่เมืองกาญจนบุรีเหมือนไหมถ้าอย่างคุณวรสักครับถ้าใบอกว่ามันก็เหมือนอย่างคนที่เขานึกแต่เจ้าแก้วมันสวยกว่านั้นมันสง่ากว่านั้นเจ้าแก้วถ้ามันแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คล้ายผู้หญิงมากดีไม่ดีมองไม่รู้เออยายจะถามว่าอแล้วก็เขาสร้างรูปแจวแก้วทําไมเขาไม่เชิญวิญญาณเจวแก้วมันมา ท่านเยื่อคุณช่วยเชิญด้วยไม่ได้หรือตอนนี้ไปเป็นวาทะของท่านเยื่อคุณท่าบอกไอ้วิญญาณไอ้แก้วเนี่ยมันเดือใครเชิญมันก็มาไม่มาหรอกมันมีอยู่ท่านคนเดียวท่านไปเมื่อไหรแล้วก็วิญญาณเจ้าแก้วมันจะมาเมื่อนั้นถามว่าแล้วเวลานี้มันอยู่ทไหนเจื่อคุณตอบว่ามันอยู่ที่ไหนก็ช่างมันไอ้นี่ไม่ครบอะ มันไปแล้วมันไม่มาก็ช่างมันเชิญมันก็ลืมมันก็ไม่มาอะไะลูกรักทั้งหลายมองดูเวลามัเกือบจะหมดไปซะแล้วก็พอดีเพลินพอดีสําหรับประเทศหน้า น, นี้ก็พอเหมาะกับเวลาที่จะบรรจุพ่อก็ขอขยุติว่แต่เพียงดัง น, นี้สําหรับเทศหน้านนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีในลูกรักทั้งหลายสวัสดี